ความจริงในอธิการว่าด้วยความต่างกันนี้มีถ้อยคําเป็นเครื่องพร่ำสอนของอาจารย์ทั้งหลายดังนี้ว่าบุคคลปรองใจว่าทำเหล่านี้แปล ก, กันอย่างนี้ด้วยความเชื่อในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งลักษณะพร้อมทั้งกิจ ตามความเป็นจริงนั้นๆแห่งธรรมทั้งหลายตามสภาวะแล้วจึงทรงจำแนกธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นไว้ดังนี้พึงทำความภาคเพียรเพื่อรู้สภาวะแห่งธรรมเหล่านั้นด้วยสามารถแห่งกิจมีการเรียนและการสอบถามเป็นต้นแต่ไม่พึงปฏิบัติผิดถึงความงมงายในธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นเจตสิกธรรมเจ็ดประการมีภาษาเจตสิกเป็นต้น ทั่วไปแก่จิตแม้ทุกดวงคือแก่จิตแปดสิบเก้าดวงเพราะเกิดขึ้นในจิตเหล่านั้นโดยแน่นอนเพราะเหตุนั้นเจตสิกธรรมเจตปรการเหล่านั้นจึงชื่อว่าสัพพจิตตสาธารณะเจตสิกความน้อมใจเชื่อมั่นชื่อว่าอธ ok ิโมกความจริงอธิโมกเจตสิกนั้นมีลักษณะความตกลงใจเพิ่งเห็นว่าเปรียบเสมือนเสาเขื่อน เพราะเป็นสภาวะไม่วันไหวในอารมณ์ภาวะหรือการงานของคนทั้งหลายผู้กล้าๆชื่อว่าวิริยะหรือว่าธรรมชาติใดอันบุคคลพึงดำเนินไปคือพึงให้เป็นไปตามวิธีการเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าวิริยะได้แก่ความอุตสาหะความอุตสาหะนั้นมีลักษณะช่วยสนับสนุนสาชาตธรรมทั้งหลาย ความจริงด้วยอำนาจวิริยะเจตสิกสหาชาตธรรมเหล่านั้นย่อมไม่มีความเป็นไปย่อหย่อนก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมาอย่างนี้วิริยะเจตสิกนี้จึงมีความต่างกับเจตสิกธรรมทั้งหลายมีวิตกเจตสิกเป็นต้นปรากฏชัดเจนดีแล้วความพอใจชื่อว่าฉันทะคือความต้องการอารมณ์ ฉันทาเจตสิกนั้นมีลักษณะความต้องการจะทำจริงอย่างนั้นฉันทาเจตสิกนี้ท่านอาจารย์กล่าวว่าในเวลาที่จิตรับอารมณ์คล้ายจะยื่นมือออกไปฉะนั้นอันหนึ่งแม้ในเวลาที่ฉันทาเจตสิกนั้นเป็นไปด้วยอำนาจสละทานวัตถุฉันทาเจตสิกนี้ก็มีความต้องการด้วยทานวัตถุที่จะพึงสละนั้นนั่นแหละ เปรียบเสมือนนายขมังธนูมีความต้องการในการหยิบลูกธนูที่จะพึงยิงไปฉะนั้นเจตสิกธรรมหกประการเหล่าใดเกลื่อนกล่นแล้วคือเรี่ยรายแล้วโดยประการทั่วไปในโสผลนจิตวงเล็บเปิดห้าสิบเก้าดวงหรือเก้าสิบเอ็ดวงวงเล็บปิดทั้งหลายด้วยในอโสผลนจิตวงเล็บเปิดสาสิบดวงวงเล็บปิดทั้งหลายอื่นจากโสผลนจิตนั้นด้วย เพราะเหตุนั้นเจตสิกธรรมหกประการเหล่านั้นจึงชื่อว่าปกิ น, น ก, กะเจตสิกจิตตุ บ, บาทที่เป็นอโศผลทั้งหลายนอกนี้ชื่อว่าอื่นเพราะเพี่งถึงจิตตุ บ, บาทที่เป็นโสพลวงเลเปิดห้าสิบเก้าดวงหรือเก้าสิบเอ็ดวงวงเลเปิด และจิตตุบาทที่เป็นโสพลทั้งหลายชื่อว่าอื่นเพราะเพ่งถึงจิตตุบาทที่เป็นอโสพลวงและเปิดสามสิบดวงวงละปิดนอกนี้เจตสิกธรรมสิบามประการเหล่าใดมีทั่วไปแก่อโสพลแลจิตตุบาทที่ชื่อว่าอื่นและโสพลจิตตุบาทที่ชื่อว่าอื่นทั้งหลายเหล่านั้น จะมีสภาวะเป็นอกุศลเจตสิกธรรมเป็นต้นล้วนๆเหมือนอย่างอากุศลเจตสิกธรรมมีอุทธเจตสิกเป็นต้นและโสรพเจตสิกธรรมมีศรัทธาเจตสิกเป็นต้นก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นเจตสิกธรรมสิบสาประการเหล่านั้นจึงชื่อว่าอัญญสมานาเจตสิก พระอนุรุท ธ, ธาจารย์ครั้นยกเจตสิกธรรมศึกษามประการคือสภาพจิตสาวทารณะเจตสิกในวงเล็บเจ็ดประการและคือปกินกะเจตสิกธรรมในวงเล็บหกประการซึ่งมีสภาวะเป็นโสพลเจตสิกธรรมและเป็นอโสพลเจตสิกธรรมนอกนี้ขึ้นแสดงดังพรนานามาอย่างนี้ก่อนแล้วบัดนี้ หวังจะแสดงเจตสิกธรรมทั้งหลายที่นับเนื่องกับอกุศ ล, ลธรรมก่อนและต่อแต่นั้นแสดงเจตสิกธรรมทั้งหลายที่นับเนื่องกับโสภณธรรมตามลำดับเนื้อความที่ยกขึ้นแสดงไว้ในการจำแนกจิตข้างต้นจึงกล่าวคาว่าโมโหดังนี้เป็นต้นก็ในอเหตุกาจิตวงเล่เปิดสิบแปดดวงวงเล่ปิด ไม่มีเจตสิกธรรมแยกไว้แผนกหนึ่งเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาาจารย์จึงไม่ได้กล่าวแยกอเหตุกกาเจตสิกธรรมทั้งหลายเหล่านั้นไว้สภาวะธรรมใดย่อมลุ่มหลงในอารมณ์เพราะเหตุนั้นสภาวะธรรมนั้นชื่อว่าโมหะได้แก่ความไม่รู้โมหะเจตสิกนั้นมีลักษณะปกปิดสภาวะแห่งอารมณ์ความจริง โมหะเจตสิกนี้แม้ที่เป็นไปด้วยอำนาจความรับอารมณ์ก็ย่อมเป็นไปโดยอาการที่ปกปิดความเป็นจริงแห่งอารมณ์นั้นนั่นเองบุคคลหรือหมู่ธรรมชื่อว่าอาหิริกะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่าย่อมไม่ละอายคือย่อมไม่กระดากอายภาวะแห่งบุคคลหรือหมู่ธรรมที่ไม่ละอายชื่อว่าอาหิริกะ อะิริกะนั้นนั่นเองเป็นอหิริกะธรรมชาติใดย่อมไม่สะดุ้งกลัวเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าอาโนต ป, ปะบรรดาอาหิริกะกับอะโนต ป, ปะทั้งสองประการนั้นอหิริกะเจตสิกมีลักษณะไม่รังเกียจทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นเปรียบเสมือนสุกรบ้านไม่รังเกียจคู่ฉะนั้น อ น, นุตตะปาเจตสิกมีลักษณะไม่สะดุ้งกลัวทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นนั้นเปรียบเสมือนแมลงเม่าไม่เกรงกลัวไฟฉะนั้นเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าคนมีอหิริกะเจตสิกย่อมไม่รังเกียจบาปเปรียบเสมือนสุกรบ้านไม่รังเกียจคูดฉะนั้นคนมีอ น, นุตตะปาเจตสิก ย่อมไม่สะดุ้งกลัวบาปเปรียบเสมือนมแมลงเมาไม่เกรงกลัวไฟฉะนั้นภาวะแห่งจิตหรือบุคคลที่ฟุงสร้างชื่อว่าอุทธะธธธจเจตสิกนั้นมีลักษณะที่จิตไม่เข้าไปสงบเปรียบเหมือนผงทุลีที่ฝุงขึ้นเพราะถูกแผ่นเห็นทุ่มฉะนั้น สภาวะที่ชื่อว่าโลภเพราะอัตวิเคราะห์ว่าละโมกโลภเจตสิกนั้นมีลักษณะติดแน่นในอารมณ์เปรียบเสมือนลิงติดตังฉะนั้นความแปล ก, กันแห่งฉันทะเจตสิกและโลภเจตสิกทั้งสองนี้มีดังนี้คือลักษณะเพียงที่จิตต้องการจะน่วงอารมณ์ไว้ชื่อว่าฉันทะความติดแน่นในอารมณ์นั้นชื่อว่าโลภ ทิฏฐิมีลักษณะยึดมั่นผิดอย่างนี้ว่านี้เท่านั้นเป็นจริงอย่างอื่นเปล่าดังนี้จริงอยู่ความแปลกกันแห่งญาณและทิฏฐิทั้งสองนี้มีดังนี้คือญาณย่อมรู้อารมณ์ตามสภาวะที่เป็นจริงทิฏฐิและสภาวะ ตามที่เป็นจริงยึดในวงเล็บอารมณ์แต่ความไม่เป็นจริงสภาวะที่ชื่อว่ามานะเพราะอาัตวิเคราะห์ว่าย่อมสำคัญซึ่งตนโดยอาการเป็นต้นว่าเราเป็นผู้ประเสริฐกว่าดังนี้มานะเจตสิกนั้นมีลักษณะพองตัวจริงอย่างนั้น มานะเจตสิกนี้ท่านกล่าวว่ามีความประสงค์จะทําตัวให้เหมือนทงเป็นอาการปรากฏเฉพาะสภาวะที่ชื่อว่าโทสะเพราะอัตวิเคราะห์ว่าประทุษร้ายโทสะเจตสิกนั้นมีลักษณะดุร้ายคล้ายอสรพิษที่ถูกตีฉะนั้นธรรมชาติที่ชื่อว่าอิสาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าริษยา อิสสาเจตสิกนั้นมีลักษณะริษยาสมบัติของผู้อื่นภาวะแห่งผู้ตรณีชื่อว่ามัชชริยะอีกอย่างหนึ่งความคิดที่เป็นไปว่าขอความอัศจรรย์นี้จงอย่ามีแก่ชนเราอื่นจงมีแก่เราเท่านั้นดังนี้ชื่อว่ามัชชริยะมัชชริยะเจตสิกนั้นมีลักษณะซ่อนสมบัติของตนไว้ กรรมชื่อว่ากุกกตะเพราะอัตถวิเคราะห์ว่ากรรมที่น่าเกลียดอันบุคคลกระทําแล้วได้แก่ทุจริตอันตนกระทําแล้วและสุจริตอันตนมิได้กระทําไว้ความจริงชนทั้งหลายย่อมเรียกกรรมที่มิได้กระทําไว้ว่าเป็นกุกกตกรรมคือกล่าวว่ากรรมที่เรามิได้กระทําไว้ชื่อว่ากุกกตกรรม แต่ในที่นี้จิตตุบาที่เดือดร้อนซึ่งเกิดขึ้นปรารบทุจริตอันตนกระทาแล้วและสุจริตอันตนมิได้กระทาชื่อว่ากุกกะตะภาวะแห่งกุกกะตะนั้นชื่อว่ากุกกุจจะกุกกุจจะเจตสิกนั้นมีลักษณะเศร้าโศกเนืองๆถึงทุจริตอันตนกระทาแล้วและสุจริตอันตนมิได้กระทาไว้ ความท้อแท้ชื่อว่าทีนะความที่จิตถูกอำนาจความไม่อาจหาและความท้อแท้ขจัดแล้วชื่อว่าทีนะความซบเซาชื่อว่ามิทะได้แก่ความที่จิตปราศจากความสามารถทีนะเจตสิกและมิทะเจตสิกเหล่านี้มีความแปลกกันดังนี้คือ บรนดาถีนาเจตสิกและมิทธะเจตสิกเหล่านั้นถีนะเจตสิกมีลักษณะคือความที่จิตไม่ควรแก่การงานมิทธะเจตสิกมีลักษณะคือความที่ขันทั้งสามมีเวทนาขันเป็นต้นไม่ควรแก่การงานสมจริงดังนิเทศแห่งถีนะเจตสิกและมิทธะเจตสิกเหล่านี้ที่เป็นไปในพระบาลีโดยนิยมีอาทิว่าบรรดาถีนะและมิทธะเหล่านั้น ทีนะเป็นไฉนคือความที่จิตไม่คล่องไม่ควรแก่การงานชื่อว่าทีนะบรรดาทีนะและมิทะเหล่านั้นมิทะเป็นไฉนคือความที่กายไม่สะดวกไม่ควรแก่การงานชื่อว่ามิทะถามว่าก็เพราะพระบาลีว่ากายะสะดังนี้ แม้ความที่รูปประกายไม่ควรแก่การงานก็ชื่อว่ามิทะเพราะเหตุนั้นแม้ความที่มิทะนั้นเป็นรูปจึงจะถูกมิเช่หรือตอบว่าไม่ถูกเพราะความที่มิทะเป็นรูปนั้นถูกอาจารย์ทั้งหลายคัดค้านแล้วในประกรณ์นั้นๆัด้วยอำนาจแห่งเหตุที่ท่านนำมาอ้างแล้วนั่นแล จริงอย่างนั้นท่านอาจารย์ทั้งหลายบรรยายคำที่ยกวาทะของท่านที่กล่าวว่ามิทธะเป็นรูปเหล่านั้นตั้งขึ้นเป็นประธานไว้ในคำพีอัตรกรถาเป็นต้นมากมายเพื่อจะคัดค้านมติของมิทธะวาทีบุคคล แต่ในอธิการว่าด้วยเรื่องมิทธะนี้มีการรวบรวมถ้อยคำที่จะพึงขยายให้พิสดารไว้ดังต่อไปนี้บุคคลบางพวกกล่าวว่าแม้มิทธะก็เป็นรูปดังนี้คำนั้นย่อมไม่ถูกเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัดมิทธะนั้นไว้ในหมวดอกุตลธรรมที่พึงละเหมือนกับนิวรธรรมทั้งหลายมีกามาฉันนิวรเป็นต้นฉะนั้นความจริงมิทธะนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัดไว้ในหมวดนิวรธรรมที่พึงละส่วนรูปพระผู้มีพระภาคเจ้ามิได้ตรัดไว้ว่าอันโศดาปฏิมักเป็นต้นจะพึงละ แม้ข้ออ้างที่ว่ารูปเป็นธรรมชาติที่พึงละปรากฏอยู่ในพระบาลีใดเพราะพระพุทธพจน์ว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่ใช่ของพวกเธอพวกเธอจงละรูปนั้นเสียดังนี้เป็นต้นในพระบาลีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงประกาศถึงการละฉันทราคะซึ่งมีรูปนั้นเป็นอารมณ์ ความจริงในพระบาลีนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าการละฉันทราคะดดังนี้เป็นต้นหากมิทธาวาทีบุคคลพึงกล่าววา่าบรรดามิทธาที่เป็นรูปและเป็นอรูปวงเล็บเปิดเป็นนามวงเล็บปิดมิทธาที่เป็นอรูปพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้แล้วในพระบาลีนั้นดังนี้คำนั้นก็ไม่มี เพราะในพระบาลีนั้นตรัสมิ t h ะไว้โดยไม่แปลกกันความจริงแม้มิท h ะที่พวกมิ tha วาทีบุคคลพากันคิดว่าเป็นรูปบัณฑิตก็สามารถจะอนุมาณได้ว่าเป็นนิวรเพราะมิท h ะที่พวกมิท h วาทีบุคคลพากันคิดว่าเป็นรูปเป็นมิ t h ะเหมือนกับมิ t h ะวงเล็บเปิดที่เป็นอารูวงเล็บปิดนอกนี้ ก็เพราะตรัสถึงสัมปโยคแห่งมิธะจึงแน่ใจได้ว่ามิธะนั้นไม่ใช่รูปความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมปโยคแห่งอรูปประขันวงเล็บเปิดนามะขงังวงเล็บปิดทั้งหลายในวงเล็บเท่านั้นอันหนึ่งเพราะตรัสไว้ว่ามิธะเกิดร่วมในอรู ป, ประธรรมในวงเล็บนามรธรรมมิถะที่เป็นรูป จึงไม่มีส่วนความหลับแห่งพระคีนาสบทั้งหลายพึงยังมีอยู่เพราะความอ่อนเพลียแห่งร่างกายธรรมชาติที่ชื่อว่าศรัท ธ, ธาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าเชื่อคือเริ่มใสในพระรัตนตรยัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นศรัท ธ, ธาเจตสิกนั้นมีลักษณะธรรมสัมปยุต ธ, ธรรมให้ผ่องใส เปรียเสมือนแก้วมณนีทำน้ำให้ใสฉะนั้นความระลึกได้ชื่อว่าสติได้แก่ความไม่หลงลืมสติเจตสิกนั้นมีลักษณะอย่างสัมปยุตรธรรมทั้งหลายให้เล่นไปธรรมชาติที่ชื่อว่าฮิริเพราะอัถวิเคราะห์ว่าละอายคือรังเกียรตทุจริตสามมีกายทุจริตเป็นต้น หิริเจตสิกนั้นมีลักษณะรังเกียจบาปกรรมชาติที่ชื่อว่าโอตปะเพราะอาัตวิเคราะห์ว่าเกรงกลัวโอตปะเจตสิกนั้นมีลักษณะสะดุ้งกลัวแต่บาปหิริเจตสิกเปรียบเสมือนหญิงสาวในตระกูลเพราะเกลียดแต่สิ่งชั่วด้วยอำนาจความเคารพตนโอตปเจตสิกเปรียบเหมือน หญิงแพทย์สยาเพราะสะดุ้งกลัวแต่สิ่งชั่วด้วยอำนาจเคารพผู้อื่นทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโลภะชื่อว่าอะโลภะอโลภะเจตสิกนั้นมีลักษณะคือความที่จิตไม่ติดในอารมณ์เปรียบเสมือนภิกษุผู้หลุดพ้นแล้วฉะนั้นทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อโทสะชื่อว่าอโทสะ อาโทสาเจตสิกนั้นมีลักษณะไม่ดุร้ายเปรียบเสมือนมิตรผู้คลอยช่วยเหลือฉะนั้นความเป็นกลางในธรรมเหล่านั้นเหล่านั้นชื่อว่าตัตระมชัตตาตตระมชัตตานั้นมีลักษณะวางเฉยจิตและเจตสิกดุดนายสารถีวางใจม้าที่วิ่งไปเรียบฉะนั้นความสงบกายชื่อว่ากายาปัสสติ ความสงบจิตชื่อว่าจิตตปัสสติก็กายะปัสสติและจิตตปัสสติแม้ทั้งสองอย่างนั้นมีลักษณะที่กายและจิตสงบระงับความกระวนกระวายได้ความเบาแห่งกายชื่อว่ากายละลหุตาความเบาแห่งจิตก็เหมือนกันคือชื่อว่าจิตตะละหุตา กายละลาหุตาและจิตตะรหุตาทั้งสองอย่างนั้นมีลักษณะเข้าไปสงบความหนักแห่งกายและจิตความอ่อนโยนแห่งกายชื่อว่ากายะมุทุตาความอ่อนโยนแห่งจิตก็เหมือนกันคือชื่อว่าจิตตะมุทุตากายะมุทุตาและจิตตะมุทุตาทั้งสองอย่างนั้นมีลักษณะเข้าไปสงบความกระด้างแห่งกายและจิตความสำเร็จในการงานชื่อว่ากัมมัญญะ ภาวะแห่งกรรมัญญะนั้นชื่อว่ากรรมญญาตาความที่กายเป็นกรรมยญญานัชื่อว่ากายกรมญญาากรมัญญตาจิตตะกรรมัญญตาก็เหมือนกันกายกรรม ญ, ญาตาและจิตตกรรมยญญตาทั้งสองนั้นมีลักษณะเข้าไปสงบความไม่สำเร็จประโยชน์ในการงานแห่งกายและจิตภาวะแห่งความคล่องแคล่วชื่อว่าป่าขุญยะ ปาคุณยะนั้นนั่นแหลชื่อว่าปาคุณยตาความคล่องแคล่วแห่งกายชื่อว่ากายปาคุณยะตาจิตตาปาคุณยตาก็เหมือนกันกายะปาคุณยตาและจิตตาปาคุณยตาทั้งสองอย่างนั้นมีลักษณะเข้าไปสงบความขัดข้องแห่งกายและจิต ความตรงแห่งกายชื่อว่ากายุ ını, mankind, ชุกตาจิตุ <LE diesen> ชุกตาก็เหมือนกันกายุชุกตาและจิตุชุกตาทั้งสองอย่างนั้นมีลักษณะที่กายและจิตตรงก็เจตสิกหกคู่เหล่านี้มีปัจจัยอันเป็นปฏิปัก ต่อความกำเริบแห่งธาตุที่กระทาความกระสับกระส่ายเป็นต้นแห่งกายและจิตเป็นสมุิฐานตามลำดับก็ในคำว่ากาโยนี้ท่านระบุถึงขันสมีเวทนาขันเป็นต้นก็เพราะเจตสิกธรรมเหล่านี้รวมกันเป็นคู่คู่ย่อมกาจัดธรรมที่เป็นค่าศึกได้ตามสภาวะของตนฉะนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกรัดเจตสิกธรรมไว้เป็นคู่คู่ในปสัสสติเป็นต้นนี้เท่านั้นหาตรัสไว้ในสมาธิเป็นต้นไม่อีกอย่างหนึ่งความที่จิตสงบเป็นต้นนั่นแหละย่อมมีได้ด้วยจิตตปสัสสติเป็นต้น ส่วนความที่แม้รู ป, ปกายสงบเป็นต้นย่อมมีได้ด้วยกายปัสสติเป็นต้นด้วยอำนาจความแผ่ไปแห่งรูปอันประนีตซึ่งมีกายนั้นเป็นสมุดฐานเพราะเหตุนั้นก็เพื่อจะชี้แจงเนื้อความนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกระเจตสิกธรรมไว้เป็นคู่คู่ในที่นี้ เจตสิกธรรมสิบเก้าประการชื่อว่ามีทั่วไปแก่โสพณจิตแม้ทั้งหมดเพราะเกิดขึ้นในโสพณจิตเหล่านั้นโดยแน่นอนเพราะเหตุนั้นเจตสิกธรรมสิบเก้าประการเหล่านั้นจึงชื่อว่าโสพลสาธารณะเจตสิกที่ชื่อว่าสัมมาวาจาเพราะอัตวิเคราะห์ว่า เป็นเครื่องกล่าวโดยชอบแห่งเหล่าชนคือเจตนาเป็นเครื่องลดเว้นจากวจีทุจริตเจตนาเป็นเครื่องลดเว้นจากวจีทุจริตนั้นมีสี่อย่างคือเจตนาเป็นเครื่องดเว้นจากการกล่าวเท็จหนึ่งเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากการกล่าวสอเสียหนึ่งเจตนาเป็นเครื่องลดเว้นจากการกล่าวคำหยาบหนึ่ง เจตนาเป็นเครื่องลดเว้นจากการกล่าวเพ้อเจ้อหนึ่งการงานนั้นเองชื่อว่ากรรมันตะดุษฎีมีสุตันตะศัพท์และวะนันตะศัพท์เป็นต้นฉะนั้นการงานเป็นไปแล้วโดยชอบชื่อว่าสัมมากกรรมันตะได้แก่เจตนาเครื่องงดเว้นจากกายทุจริต จเจตนาเครื่องงดเว้นจากกายทุจริตนั้นมีสามอย่างคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากปานาติบาหนึ่งเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากอธินาทาหนึ่งเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากกาเมสุมิชฌาหนึ่งที่ชื่อว่าสัมมาอาชีวะเพราะอาัถวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องเป็นอยู่โดยชอบแห่งเหล่าชนได้แก่เจตนาเป็นเครื่องงดเว้นจากมิชฉาชีพ ก็ส ม, มาอาชีวะนั้นมีเจ็ดอย่างด้วยอำนาจการงดเว้นจากกายทุจริตและวจีทุจริตอันมีอาชีวะเป็นเหตุหรือว่ามีมากอย่างด้วยอำนาจงดเว้นจากมิจฉาชีวะมีการโกหกและการหลอกลวงเป็นต้นก็วิรัตแม้ทั้งสามอย่างนั้นแต่ละอย่างก็มีสามอย่างคือสัมปติวิรัตหนึ่งสมาทานวิรัตหนึ่งสมุเฉทวิืรัตหนึ่ง ที่ชื่อว่าวิรัตเพราะงดเว้นจากทุจริตตามที่กล่าวแล้วที่ชื่อว่ากรุณาเพราะอัตวิเคราะห์ว่าย่อมกระทาคือเมื่อทุกข์ของผู้อื่นมีอยู่ย่อมยังความลำบากใจให้เกิดแก่สาธุชนทั้งหลายหรือเรียรายได้แก่กระจายทุกข์ของผู้อื่นหรือเกลียคือกำจัดทุกข์ของผู้อื่นนั้น หรือย่อมคลี่คลายคือปลดเปลื้องในเมื่อสัตว์ทั้งหลายได้รับความทุกข์การุณานั้นมีลักษณะคือความประสงค์จะบำบัดทุกข์ของผู้อื่นความจริงการุณานั้นจะนําทุกข์ของผู้อื่นออกไปได้ก็ตามนําออกไปไม่ได้ก็ตามการุณานั้นย่อมเป็นไปโดยอาการคือความบำบัดทุกข์ของผู้อื่นนั้นนั่นเอง ที่ชื่อว่ามุทิตาเพราะอาัถาวิเคราะห์ว่าเป็นเครื่องชื่นชมแห่งเหล่าชนมุทิตานั้นมีลักษณะพลอยยินดีสมบัติของผู้อื่นการุณาและมุทิตาชื่อว่าหาประมาณไม่ได้เพราะเป็นธรรมชาติมีสัตว์หาประมาณไม่ได้เป็นอารมณ์การุณาและมุทิตามีสัตว์หาประมาณไม่ได้เหล่านั้นนั่นแหละชื่อว่าอัปปมัญญาเจตสิกถามว่า ก็ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จะกล่าวว่าอัปมัญญาเจตสิกมีสี่ประการดังนี้มิใช่หรือแต่เพราะเหตุอะไรในกุศลเจตสิกนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอัปมัญญาไว้เพียงสองประการเท่านั้นกล่าวว่าเพราะพระองค์ทรงรวมเมตตาเข้ากับอโทสะเจตสิกและอุเบขาเข้ากับตัตระมชิตตาเจตสิก ความจริงอะโทสะเจตสิกนั่นแหละที่เป็นไปด้วยอำนาจแห่งอัธยาศัยเกื้อกูลในหมูสัตว์ชื่อว่าเมตตาตตระมชชตตาเจตสิกนั่นเองที่เป็นไปด้วยอำนาจความสงบระงับความขัดเคืองและความยินดีในหมูสัตว์เหล่านั้นชื่อว่าอุเบคาเพราะเหตุนั้นท่านพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวไว้ว่าความจริงเพราะ เมตตาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงระบุด้วยอโทสะเจตสิกและอุเบกขาทรงระบุด้วยตัตระมัตตาเจตสิกฉะนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงไม่ระบุเมตตาและอุเบกขาสองอย่างนั้นไว้ในที่นี้ ธรรมชาติใดย่อมรู้โดยอาการทั่วถึงได้แก่รู้ชัดด้วยอำนาจลักษณะสามมีอนิจจาลักษณะเป็นต้นเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าปัญญาปัญญานั้นนั่นแหลชื่อว่าเป็นอินทรีย์เพราะประกอบด้วยความเป็นใหญ่ในการรู้ชัดตามสภาวะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าปัญญินทรีย์ถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น สัญญาวิญญาณและปัญญาทำหน้าที่ต่างกันอย่างไรตอบว่าลำดับแรกสัญญาย่อมทำหน้าที่เพียงหมายรู้ด้วยอำนาจอารมณ์มีสีเขียวเป็นต้นในวงเล็บแต่ไม่สามารถจะทำแม้ความรู้แจ้งลักษณะได้วิญญาณย่อมให้สมร็จแม้ความรู้แจ้งลักษณะได้แต่ไม่สามารถจะให้เลยไปถึงแล้วบรรลุมรคได้ ส่วนปัญญาย่อมทำหน้าที่ได้แม้ทั้งสามอย่างในข้อนี้มีการสังเกตรู้กหาปณ ะ, ะของเด็กคนชาวบ้านและเจ้าหน้าที่การเงินเป็นตัวอย่างแลก็ในบรรดาสัญญาวิญญาณและปัญญานี้ในเวลาที่สัญญาเป็นญาณวิปยุตเกิดขึ้นด้วยอำนาจกำหนดรู้อาการวิญญาณย่อมเป็นอโภโรหาริก ในเวลาที่เหลือนั่นแลวิญญาณย่อมมีพลังส่วนสัญญากับวิญญาณแม้ทั้งสองที่เป็นญาณสัมพยุทย่อมมีคติคล้อยตามปัญญานั้นเชื่อมความว่าว่าแม้โดยประการทั้งปวงมีเจตสิกธรรมยี่สิบห้าประการวงเล็บเปิดโสภาเจตสิกวงเล็บปิดด้วยคำว่า เตระสัญญาสมานาเป็นต้นเป็นการรวบรวมเจตสิกธรรมที่กล่าวไว้โดยราศรีสามรมเหล่าใดไม่พรากกับจิตมีคําที่ท่านกล่าวอธิบายว่าเจตสิกธรรมเพราะเหตุนั้นทำเหล่านั้นชื่อว่าจิตตาวิยุตตาสภาวะที่ชื่อว่าอุ ป, ปาทะเพราะอถวิเคราะห์ว่าย่อมเกิดขึ้นอุ ป, ปาทะคือจิตชื่อว่าจิตตุ ป, ปาทะ ส่วนในที่อื่นจิตพร้อมทั้งสัมปยุต ธ, ธรรมท่านเรียกว่าจิตตุบาทเพราะอธิบายว่าจิตย่อมเกิดขึ้นด้วยหมวดธรรมนี้เพราะเหตุนั้นหมวดธรรมนั้นจึงชื่อว่าอุ ป, ปาธได้แก่หมูรธรรมจิตนั้นด้วยเป็นเหตุเกิดขึ้นด้วยเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าจิตตุบาทความจริงในที่บางแห่งท่านอาจารย์ผู้รู้คมภีศัทาศาสตร์ทั้งหลาย ย่อมปราถนาปุงลิงแม้ในสมาหาระทวันทวะสมาดได้บ้างเชื่อมความว่าเบื้องหน้าแต่นี้ไปข้าพระเจ้าวงเล็บเปิดพระอนุรุท ธ, ธาจามวงเล็บปิด จ, จากกล่าวสัมปโยคแห่งเจตสิกธรรมที่ไม่พรากกับจิตเหล่านั้นแต่ละประการในจิตตุบาททั้งหลายตามที่ประกอบได้ปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวง อันกามาวจรจิตสี่สิบสี่ดวงเหล่านี้เว้นแล้วหรือว่ากามาวจรจิตสี่สิบสี่ดวงเหล่านี้อันปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงเหล่านั้นเว้นแล้วเพราะปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายเหล่านั้นไม่มีวิตกเจตสิกามสภาวะเพราะเหตุนั้นกามาวจรจิตสี่สิบสี่ดวงชื่อว่าเว้นปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายลลหรือ อันปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายเว้นแล้วอธิบายความว่าวิตกเจตสิกย่อมเกิดในกามาวจรจิตสี่สิบสี่ดวงเหล่านั้นด้วยในปฐมฌานจิตสิบเอ็ดดวงด้วยเพราะจิตทั้งหลายที่เหลือมีทุติยฌานจิตเป็นต้นไม่มีวิตกเจตสิกด้วยกำลังแห่งภาวนา วิจารณเจตสิกย่อมเกิดในจิตหกสิบหกดวงคือในจิตที่ส่อรคตด้วยวิตกเจตสิกห้าสิบห้าดวงเหล่านั้นด้วยในทุติยชาในจิตสิบเอ็ดวงด้วยอาทิมโมกเจตสิกย่อมเกิดในจิตเจ็ดสิบแปดดวงเว้นจิตสิบเอ็ดดวงคือปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงและโมหะมูลจิตที่สอรคต ด, ด้วยวิจิกิจชาเจตสิกในวงเล็บหนึ่งดวง วิริยะเจตสิกย่อมเกิดในจิตเจ็ดสิบสามดวงเว้นจิตสิบหกดวงคือปัญจทวาราวชนาจิตในวงเล็บหนึ่งดวงปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงสมปติจชนะจิตสองดวงและสันติรณจิตสามดวงปีติเจตสิกย่อมเกิดในจิตห้าสิบเอ็ดดวงเว้นจิตเจ็ดสิบดวงคือ โทสะมูลจิตที่สรโคตด้วยโทมาสเวทนาสองดวงจิต ท, ที่สรโคตด้วยอุเบขาเวทนาห้าสิบห้าดวงกายะวิญญาณจิตสองดวงและจตุตฐานจิตสิบเอ็ดดวงฉันทาเจตสิกย่อมเกิดในจิตหกสิบเก้าดวงเว้นจิตยี่สิบดวงคืออเฮตุกะจิตสิบแปดดวงและโมหะมูลจิตสองดวงบทว่าเตปะนะความว่า จิตตุบาทที่เว้นปะกินกะเจตสิกในวงเล็บหกประการและจิตตุบาทที่สรคดด้วยปะกินกะเจตสิกหกประการนั้นบดว่ายะถากรรมังความว่าตามสมควรแก่ลำดับจิตตุบาทที่เว้นปะกินกะเจตสิกหกประการมีวิตกเจตสิกเป็นต้นและจิตตุบาทที่ประกอบด้วยปะกินกะเจตสิกหกประการมีวิตกเจตสิกเป็นต้นคำว่า ชะสัทถีปัญจะปัญญาสะเป็นต้นบัณฑิตพึงประกอบด้วยอำนาจจำนวนจิตหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดดวงและด้วยอำนาจจำนวนจิตแปดสิบเก้าดวงตามสมควรท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวว่าสัภากุสละสาธารณาดังนี้แล้วกล่าวว่าสาเพสุปิเป็นต้นเพื่อที่จะให้ถ้อยคำนั้นนั่นแหละมั่นคง ความจริงบุคคลใดบุคคลหนึ่งปฏิบัติในอกุศลกรรมบทสิบประการมีปานาติบาเป็นต้นบุคคลนั้นแม้ทั้งหมดมีปกติไม่เห็นโทษในอกุศลกรรมบทสิบประการมีปานาติบาเป็นต้นนั้นเพราะโมหะเจตสิกไม่รังเกียจอกุศลกรรมบทสิบประการมีปานาติบาเป็นต้นเพราะอหิริกะเจตสิกไม่เกรง กลัวอคุสลกรรมบดสิบประการมีปานาติบาเป็นต้นนั้นเพราะอนตุตตะปะเจตสิกและเป็นผู้ไม่สงบระงับจากอคุสลกรรมบดสิประการมีปานาติบาเป็นต้นนั้นเพราะอุทจจะเจตสิกเพราะฉะนั้นเจตสิกธรรมสี่ประการเหล่านั้นจึงหาได้แน่นอนในอกุศลจิตทุกดวงในวงเล็บสิบสองดวง เอวสา์ในบทว่าโลภสังคตจิตเตสเววะนี้มีไว้เพื่อต้องการทำให้เด่นเพราะเหตุนั้นบัณฑิตพึงเห็นบทอวธารณะแม้ในบทว่าทิฏฐิสางคตจิตเตสุเป็นต้นความจริงทิฏฐิเจตสิกย่อมหาได้เฉพาะในจิตที่สรคตด้วยโลภะในวงเล็บโลภะมูลจิตสี่ดวง เท่านั้นเพราะบุคคลผู้ยึดมั่นในสังโยสิบประการมีส ก, กายทติฐิเป็นต้นเกิดความยึดถือในสังโยสิบประการมีส ก, กายทติฐิเป็นต้นนั้นว่าเป็นของเราแม้มานาเจตสิกก็เป็นไปคล้ายทิฐิเจตสิกนั่นแหละ เพราะเป็นไปในสังโยสิประการมีสากายทติฐิเป็นต้นนั้นด้วยอำนาจถือตัวว่าเป็นเราเพราะเหตุนั้นมานะเจตสิกนั้นจึงไม่เป็นไปในจิตุบาทเดียวกันกับทิฏฐิเจตสิกเปรียบเหมือนราชสีชาติไกรสอไม่อยู่ในถ้ำเดียวกันกับราชสีชาติกรสอนตัวอื่นที่เหมือนกันฉะนั้นและ ทั้งมานะเจตสิกนั้นก็ไม่เกิดขึ้นในจิตตุบาททั้งหลายมีโทสะมูลจิตในวงเล็บสองดวงเป็นต้นเพราะมานะเจตสิกมีโลภะเป็นปพัทธฐานโดยแน่นอนโดยมีความเยื่อใยในตนเป็นที่อิงอาศัยเพราะเหตุนั้นมานะเจตสิกนั้นจึงหาได้เฉพาะในจิตตุบาทที่เป็นทิฏฐิวิปยุตวงเล็บเปิดโลภะมูลจิตสี่ดวงวงเล็บปิดเท่านั้นอันหนึ่ง อิสาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกและกุกกุจจะเจตสิกก็หาได้เฉพาะในโทสะมูลจิตตนนาเล็บสองดวงเท่านั้นเพราะเป็นไปด้วยอำนาจกระทบกระทั่งในอารมณ์นั้นนันั่นเองแกบุคคลผู้ริษยาสมบัติของผู้อื่นแกบุคคลผู้ไม่ปรารถนาภาวะแห่งสมบัติของตนทั่วไป ชนเหล่าอื่นและแก่บุคคลผู้เศร้าโศกเนืองๆในเพราะทุจริตที่ตนทำแล้วและสุจริตที่ตนยังมิได้ทำทีน่าเจตสิกและมิถาเจตสิกก็หาได้เฉพาะในอศนศกุศลจิตที่เป็น ส, สังขาริกในวงเล็บสี่ดวงเท่านั้นเพราะเจตสิกธรรม ท, ที่มีปกติไม่ควรแก่การงาน ไม่ประกอบด้วยความเป็นไปในอากุศลจิตที่เป็นอสังคาริกในวงเล็บห้าดวงซึ่งกล้าแข็งได้ตามสภาวะอย่างนั้นมีวาจาประกอบความว่าเจตสิกธรรมสี่ประการท่านพระอนุรุธทธาจารย์จัดไว้ในอากุศลจิตทุกดวงวงเล็บเปิดสิบสองดวงวงเล็บปิดนั่นแหละ เจตสิกธรรมสามประการจัดไว้เฉพาะในโลภะมูลจิตในวงเล็บแปดวงเท่านั้นตามที่เกิดมีได้เจตสิกธรรมสี่ประการจัดไว้เฉพาะในโทสะมูลจิตในวงเล็บสองดวงเท่านั้นอันหนึ่งเจตสิกธรรมสองประการจัดไว้ในอกุศลจิตที่เป็น ส, สังขาริกในวงเล็บห้าดวงเท่านั้น จะศัพท์ในบทว่าวิจิกิจชาจิตเตจนะนี้ใช้ในอัตอวัธารณะเชื่อมความว่าวิจิกิจชาเจตสิกหาได้เฉพาะในจิตที่สัมปยุทธ์ ด, ด้วยวิจิกิจชาเจตสิกในวงเล็บโมหมูลจิตหนึ่งดวงเท่านั้นในโลกุตร จ, จิตวงเล็บเปิดแปดหรือสี่สิบดวงวงเล็บปิดบางคราวพึงเว้นวิตกเจตสิกด้วยอำนาจฌานที่เป็นบาทเป็นต้น แต่จะไม่พึงมีวิรัตเจตสิกในวงเล็บสามประการก็หามิได้เพราะมรรคจิตณวงเล็บสี่ดวงเป็นไปด้วยอำนาจตัดทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นได้เด็ดขาดและผลจิตณวงเล็บสี่ดวงเป็นไปด้วยอำนาจคุณที่คล้อยตามมรรคจิตนั้นเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุตอาจารย์จึงกล่าวว่าวิรัติโยปณ ะ, ะดังนี้เป็นต้น บุว่าสพัพพทาปิได้แก่โดยอาการแม้ทั้งปวงคือที่เป็นไปด้วยอำนาจกำจัดทุจริตนั้นๆได้ความจริงวิรัตเจตสิกสามประการเหล่านั้นจะเป็นไปแม้ในโลกุตตรจิตในวงเล็บแปดดวงด้วยอำนาจละวจีทุจริตในวงเล็บสี่ประการมีมุสาวาดเป็นต้นได้แยกแยกกันเหมือนในโลกิยจิตในวงเล็บแปดสิบเอ็ดวงก็หามิได้ เพราะทุจริตและการเลี้ยงชีพผิดทั้งหมดนั่นแหละอันมรรคจิต น, น, นั้นตัดขาดได้ในขณะเดียวกันด้วยอำนาจความละกิเลสบางเหลามีสกายทติทิและวิจิกิชาเป็นต้นได้โดยประการทั้งปวงในวงเล็บและด้วยอำนาจการละความสามารถแห่งกิเลสบางเหลามีการมราคะและปฏิคะเป็นต้น ที่เป็นสภาวะอย่างสัตว์ให้ไปสู่อบายภูมิเป็นต้นถามว่าก็เนื้อความนี้สำเร็จแล้วด้วยคำว่าเอกโทวะนี้แหละมิใช่หรือตอบว่าข้อนั้นหาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะท่านพระอาจารย์มิได้แสดงความเป็นไปตามอาการคือความเป็นค่าศึกต่อวจีทุจริตสี่ประการเป็นต้น โดยเหตุเพียงแสดงว่าวิรัติเจตสิกสามประการอยู่ร่วมกันส่วนอาจารย์บางพวกยังไม่ทันพิจารณาเนื้อความนี้เลยก็พูดว่าคำว่าสัพพธาปินี้ไม่มีประโยชน์ในคำนั้นความไม่รู้ของอาจารย์เหล่านั้นนั่นแหละเป็นเหตุด้วยบทว่านิยตานี้ท่านพระอนุรุทาจารย์ย่อมห้ามวิรัติเจตสิก เกิดมีในการบางคราววงเล็บเปิดในโลกุรตรจิตแปดดวงวงเล็บปิดเหมือนในโลกิยาจิตวงเล็บเปิดแปดสิเอ็ดวงวงเล็บปิดฉะนั้นจริงอย่างนั้นวิรัตเจตสิกสามประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในโลกิยาจิตในวงเล็บแปดสิบเอดวงด้วยอํานาจเป็นเยวาปนกกาเจตสิกส่วนในโลกุตรจิตในวงเล็บแปดดวงนี้พระผู้มีพระภาคเจ้า ทรงแสดงไว้ตามสภาวะนั่นแหละโดยบทอวตารณะในคำว่ากามาวจระกุสเลสเวหะนี้ท่านพระอนุรุธทธาอาจารย์ย่อมห้ามความเกิดแห่งวิรัจเจตสิกสามประการในกามาวจรวิบากจิตในวงเล็บ8ดวงกามาวจรเกิิยาจิตในวงเล็บ8ดวงและในมหัคตาจิตในวงเล็บ27ดวง ก็ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จะกล่าวตามอาการนั่นแหละไว้ข้างหน้าบทว่ากถาจิได้แก่ในเวลาเว้นจากทุจริตแต่และอย่างมีมุสาวาสเป็นตน้นกวิรัตเจตสิกแม้ที่เกิดขึ้นอยู่ในการบังคราวก็ไม่เกิดขึ้นพร้อมกันเพราะเพ่งถึงความเกิดแห่งอารมณ์ของตนกล่าวคือวัตถุที่จะพึงล่วงละเมิดเพราะเหตุนั้น ท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าวิสุงวิสุงดังนี้อัปมัญญาเจตสิกที่ถึงอัปนาแล้วย่อมไม่มีความเป็นไปอันปราศจากโสมนัสในการบางคาวเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุทธาจารย์จึงกล่าวว่าปัญจมัจานะวัชิตมหคตาจิตเตสุดังนี้ จิต ท, ที่ชื่อว่ามหาคตะเพราะอัถวิเคราะห์ว่าถึงความเป็นใหญ่เพราะจิตปลอดจากนิวรธรรมเป็นต้นหรืออันผู้ได้ฌานซึ่งเป็นผู้ใหญ่ถึงแล้วคือบรรลุแล้วสองบทว่านานาหุตวาความว่าอปมัญญาเจตสิกย่อมมีแยกแยะ ก, กันโดยเพ่งถึงเหล่าสัตว์ผู้ได้รับความทุกข์หรือได้รับความสุขที่เป็นอารมณ์ของตนมาปรากฏ เพราะกะรุณาและมุทิตามีอารมณ์ต่างๆกันบทว่าเอถะได้แก่ในบรรดากามาวจรจิตในวงเล็บกามาวจรกุศลละจิตและกามาวจรกิริยาจิตที่เป็นสหิตุกะวงเลิปิดเหล่านี้ การบริกรรมแม้ด้วยจิตที่สรคตรด้วยอุเบกขาเวทนาด้วยอำนาจความเคยชินในการก่อนแต่วิธีแห่งอั ป, ปนาย่อมมีได้ในเวลาเจริญกะรุณาและมุทิตาดุดคนที่สวดคำมพี์ที่ชำนานบางคราวแม้จะส่งจิตไปในอารมณ์อื่นก็ยังสวดได้อันหนึง่งดุด พระโยคาวจรผู้พิจารณาสังขารธรรมด้วยวิปัสนาที่คล่องแคล่วบางคราวก็พิจารณาได้ด้วยจิตที่ปราศจากยานด้วยกำลังแห่งความเคยชินเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกระทำวาทะที่ว่าการุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกไม่เกิดมีในกามาวจรจิตที่สระกุด้วยอุเบขาเวทนาว่าเป็นเกจิวาทะ แต่พึ่งเห็นกรุณาเจตสิกและมุทิตาเจตสิกเหล่านั้นเกิดมีเฉพาะในกามาวจรจิตที่สรคตด้วยโสมนัสเวทนาโดยส่วนเดียวในวิธีแห่งอัปปนาเพราะจิตแม้ที่มีเวทนาต่างกันไม่มีอาศัยวนาปัจจัยดุจจิตที่มีชาติต่างกันฉะนั้น บาคาถาว่าตโยโสรสาจิตเตสุเป็นต้นความว่าทรรมวงหลือเปิดเจตสิกธรรมวงหลือปิดสามประการมีสัมมาวาจาเป็นต้นย่อมเกิดในจิตส6หดวงคือโลกุตตรจิตและกามาวจ ร, รกุศลจิตฝ่ายละแปดดวง ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ครั้นแสดงอนิจจตธรรมในบรรดาเจตสิกธรรมที่กล่าวไว้ด้วยอำนาจแห่งเจตสิกธรรมที่มีการประกอบแน่นอนและการประกอบไม่แน่นอนรวมกันดังปานนามาชนิแล้วเพื่อจะแสดงว่าเจตสิกธรรมที่เหลือเป็นธรรมที่มีการประกอบแน่นอนจึงกล่าวคําว่าอิสสามารเฉราดังนี้เป็นต้นมีวาจาประกอบความว่าอิสาเจตสิก มัจฉริยะเจตสกิกกุกุจจะเจตสิกวิรัตเจตสิกและอปะมัญญาเจตสิกมีกรุณาเจตสิกเป็นต้นบางคราวก็เกิดแยกกันทวนมานะเจตสิกย่อมเกิดในการบางคราวคือในเวลาเป็นไปด้วยอำนาจถือตัวว่าเราเป็นผู้ประเสริฐดังนี้เป็นต้น ทีน่าเจตสิกและมิทธะเจตสิกก็เหมือนกันคือย่อมเกิดร่วมกันคือด้วยอำนาจไม่แยกกันและกันในการบางคราวคือในคราวที่เป็นไปด้วยอำนาจที่จิตไม่ควรแก่การงานอีกอย่างหนึ่งบัณฑิตพึงประกอบจะศัพท์ในคำว่ามาโนจะนี้เข้าแม้ในคาว่าสห ah นี้ แล้วพึงเห็นวาจาประกอบความว่าทีน่าเจตสิกและมิทธเจตสิกย่อมเกิดร่วมกันคือร่วมกับอิสาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกและกุกกุจจะเจตสิกในปฏิกะจิตที่เป็น ส, สังคาริกวงเล็บคือโทสะมูลจิตที่เป็น ส, สังคาริกหนึ่งดวงและ ร่วมกับมานะเจตสิกในสังขาริกจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุท์ทั้งหลายวงเล็บเปิดคือโลภะมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธ์ที่เป็นสังขาริกสองดวงวงเล็บปิดในการบางคราวและย่อมเกิดแยกกันในการบางคราวคือในการที่ประกอบกับจิตที่เป็นสังขาริกนอกจากปฏิคัจจิตที่เป็นสังขาริกและสังขาริกจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุทธ์นั้น หรือแม้ในการที่ประกอบกับปฏิฆาจิตที่เป็น ส, สังขาริกและ ส, ะสังขาริกจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตนั้นส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งประกอบถ้อยคําไว้เพียงเท่านี้ว่ามานาเจตสิกทีนาเจตสิกและมิทธเจตสิกก็เหมือนกันคือบางคราวก็เกิดแยกกันและบางคราวก็เกิดร่วมกัน บทว่าเสสาความว่าเจตสิกธรรมสี่สิบเอ็ดประการนอกจากอนิยตตาเจตสิกธรรมสิบเอดประการตามที่กล่าวแล้วส่วนอาจารย์บางพวกพันนาว่าเจตสิกธรรมที่เหลือจากอนิยตตาเยาวาปนากะเจตสิกธรรมตามที่กล่าวแล้วเป็นนิยตตาเยวาปนากะเจตสิกธรรมคำนั้นเป็นเพียงมติของอาจารย์พวกนั้น ก็เพราะในที่นี้ท่านพระอนุรุทธาอาจารย์ไม่ได้ยกเจตสิกธรรมบางเหล่าขึ้นไว้โดยชื่อว่าเยวาปนกะเจตสิกธรรมความจริงในที่นี้ท่านอาจารย์กระทําการชี้แจงเพียงเจตสิกธรรมที่จะได้ตามสมควรในจิตตุบาททั้งหลายด้วยอํานาจนิยตตเจตสิกธรรมวงและเปิดเจตสิกธรรมที่ประกอบแน่นอนวงและปิด แลนะอ น, นิยตาเจตสิกธรรมวงหลือเปิดเจตสิกธรรมที่ประกอบไม่แน่นอนวงหลือปิดอย่างเดียวมิได้ยกเจตสิกธรรมบางเหล่าขึ้นไว้โดยชื่อว่าเยวาปนกเจตสิกธรรมแล ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ครั้นแสดงการประกอบเจตสิกธรรมด้วยอำนาจการกำหนดจิตว่าบรรดาเจตสิกธรรมมีผัสสะเจตสิกเป็นต้นทำในวงและเจตสิกธรรมนี้ย่อมหาได้แน่นอนในจิตมีประมาณเท่านี้ดังพันานามาชนนี้ก่อนแล้วบัดนี้หวังจะแสดงการรวบรวมวงและเปิดเจตสิกธรรม ด้วยอำนาจกำหนดหมวดเจตสิกธรรมว่าเจตสิกธรรมมีประมาณเท่านี้ย่อมหาได้แน่นอนในจิตตุบาทนี้จึงกล่าวคำว่าสังคหันจะดังนี้เป็นต้นคำว่าชาติงสะดังนี้เป็นต้นเป็นการรวบรวมด้วยอำนาจจำนวนคือทรรมที่จะหาได้อยู่ในจิตนั้นๆตามสมควรที่ชื่อว่าปัตมาชานิกจิตเพราะอัตวิเคราะห์ว่า จิตประกอบในปฐมฌานหรือเพราะอัตวิเคราะห์ว่าจิตเหล่านี้มีปฐมฌานนั้นเพราะอัปมัญญาเจตสิกมีสัตว์เป็นอารมณ์และเพราะโลกุตระจิตมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ท่านพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวคําว่าโสพลเจตสิกยีิบสประการเว้นอัปมัญญาเจตสิก ด้วยสภาวะตฐานี้ท่านพระอนุรุทธาอาจารย์ย่อมจักความมาว่าอัญญสมานาเจตสิกในวงเล็บ13ประการและโสพลเจตสิกในวงเล็บ23าประการซึ่งเว้นอั ป, ปมัญญาเจตสิกในวงเล็บสองประการย่อมถึงการรวมเข้าในวงเล็บด้วยกันคําว่าอุเปกาสากตาความว่าทรสม33าประการเว้นวิตตกวิจารปีติในวงเล็บและสุข สารกดด้วยอุเบขาซึ่งเข้าไปแทนที่สุขในบทว่าปัญจกัตชาณะวะเสนมีอธิบายความว่าด้วยอำนาจชาญห้าหมวดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วด้วยอำนาจพระโยคาวจรผู้มียานยังไม่กล้านักเจริญชาญล่วงวิตกและวิจาร์ไปทีละอย่าง แต่ด้วยอำนาจชาญสี่หมวดที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ด้วยอำนาจพระโยกาวจรผู้มียานแก่กล้าเจริญชาญล่วงวิตกและวิจารเหล่านั้นไปพร้อมกันย่อมมีการรวบรวมวงเล็บเปิดเจตสิกธรรมวงเล็บปิดได้สี่หมวดเท่านั้นเพราะเจตสิกธรรม3 4ประการเว้นวิตกและวิจารเสียเกิดมีในทุติยชานิกจิต เจตสิกธรรมสามสามประการทั้งสองหมวดย่อมหาได้ในจตุธัชนาณจิตและปัญจมะชาณจิตบทว่าตีสุดได้แก่ในปฐมชานิกจิตสดวงคือกุศลจิตวิบากาจิตและกิริยาจิตสำหรับพระโยคาวจรผู้มีกายประโยคและวจีประโยคอันชำระหมดจดดีแล้วด้วยอำนาจสีและวิสุทธิ มหาคตาชารย่อมเป็นไปด้วยเหตุเพียงจิตตั้งมั่นอย่างเดียวแต่หาเป็นไปด้วยอำนาจการชำระกายกรรมและวจีกรรมให้หมดจดไม่ทั้งจะเป็นไปด้วยอำนาจตัดทุจริตและการเลี้ยงชีพผิดได้เด็ดขาดก็หาไม่ได้เพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่าเวนวิรัตเจตสิก บทว่าปัจเจกเมวะได้แก่แยกแยกกันนั่นเองบทว่าปันนารสุความว่าในปัญจมชฌานิกจิตสิบห้าดวงคือด้วยอำนาจรูปาวจรฌานสามดวงด้วยอำนาจอะรูปาวจรฌานสิบสองดวงในคําว่าย่อมไม่ได้อั ป, ปมัญญาเจตสิกวงหรือเปิดสองประการวงหรือปิดนี้ข้าพระเจ้าได้กล่าวเหตุไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว บทว่าปัจเจกเมวะได้แก่แต่ละอย่างเท่านั้นความจริงเพราะอั ป, ปมัญญาเจตสิกในวงเล็บสองประการมีสัตว์เป็นอารมณ์และเพราะวิรัตเจตสิกในวงเล็บสามประการมีวัตถุที่จะพึงล่วงละเมิดเป็นอารมณ์อั ป, ปมัญญาเจตสิกและวิรัตเจตสิกแม้เหล่านั้นจึงไม่เกิดในจิตุบาทเดียวกันแล เพราะวิรัตเจตสิกฝ่ายโลกิยะทั้งหลายมีสภาวะเป็นกุศลโดยส่วนเดียวโลกิยะวิรัตเหล่านั้นจึงไม่เกิดในกริยาจิตและวิปากจิตทั้งหลายที่เป็นอัพญากฤตเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุธทธาจารย์จึงกล่าวว่าวิรติวัชิตาดังนี้เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงกล่าวว่าศิกขาบทห้าล้วนเป็นกุศลทั้งนั้น เมื่อกำหนดเนื้อความนอกไปจากนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพึงตรัสว่าโลกิยวิวรัตทั้งหลายพึงเป็นกุศลก็มีพึงเป็นอัพยากริตก็มีเหมือนกับศรัทธาและสติเป็นต้นฉะนั้นก็เพราะผลจิตเป็นธรรมชาติเหมือนกับมรรคจิต และเพราะผลละจิตเป็นเครื่องระ ง, งับทุจริตและการเลี้ยงชีพผิดทั้งหลายภาวะที่โลกุตรรวิรัตทั้งหลายเป็นกุศลส่วนเดียวจึงไม่ถูกเพราะเหตุนั้นท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงไม่ระบุถึงโลกุตรรวิรัตเหล่านั้นไว้ในสิกขาบทวิพังนั้นเพราะกามาวจรวิบากจิตวงหลือเปิดแดวงวงเลือปิดมีอารมณ์ที่เป็นกามาวจรโดยส่วนเดียว เพราะอัปมัญญาเจตสิกวงหลือเปิดสองประการวงลปิดมีสัตว์เป็นอารมณ์และแม้เพราะวิรัติเจตสิกวงเลือเปิดสามประการวงล็ปิดเป็นกุศลโดยส่วนเดียวพระอนุรุทธาอาจารย์จึงกล่าวว่าอัปมัญญาวิรติวัชิตาดังนี้ถามว่ากามาวาจรกุศลจิตแม้ที่มีบัญญัติเป็นต้นเป็นอารมณ์ก็มีได้มิใช่หรือ เพราะเหตุนั้นแม้วิบากจิตของกามาวจรกุศลจิตนั้นก็พึงมีอารมณ์เหมือนกับกุศลแจิตเปรียบเหมือนมากก็แต่วิบากจิตและโลกุตระวิบากจิตทั้งหลายฉะนั้นตอบว่ากามาวจรวิบากจิตนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะเป็นผลของกามซึ่งเนื่องกับกามะตัญหาเปรียบเหมือนลูกชายของหญิงรับใช้ไม่สามารถจะกระทําสิ่งที่มารดาต้องการได้ ทำสิ่งที่เจ้านายเท่านั้นต้องการแล้วต้องการแล้วฉันใดจิตที่เป็นวิบากแห่งกามาวจรกรรมซึ่งเหมือนกับหญิงรับใช้เพราะเนื่องกับกามตัญหาก็ไม่รับอารมณ์ที่กามาวจรกรรมนั้นรับมาแล้วย่อมรับเฉพาะอารมณ์ของกามตัญหาเท่านั้นฉันนั้นบทว่าทว่าทศธาขวามว่า โดยมีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้สิบสองหมวดในจิตสามประเภทเพราะอธิบายว่าในประเภทแห่งกุศลจิตวิบากจิตและกิริยาจิตมีการสงเคราะห์เป็นคู่ประเภทละสี่คู่บัดนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์หวังจะแสดงธรรมวงแลือเปิดเจตสิกธรรมวงหลือปิด ซึ่งคำจิตทั้งหลายมีทุติยชานิกจิตเป็นต้นให้ต่างจากจิตทั้งหลายมีปฐมัชชานิกจิตเป็นต้นในบรรดาเจตสิกธรรมเหล่านี้จึงกล่าวคําว่าอนุตเรชานธรรมมาดังนี้เป็นต้นพึงเห็นความหมายว่าในโลกุตรราจิตวงเลืเปิดแปดหรือสี่ศึกดวงวงลิปิด มีฌานธรรมคือวิตกวิจารปีติและสุขทําให้แปลกกันคือทําให้ต่างกันในมัจจิมะจิตคือในมัฮตจิตในวงเล็บยี่สิบเจ็ดดวงมีอัปามัญญาเจตสิกในวงเล็บสองประการและฌานธรรมทั้งหลายทําให้แปลกกันในปริจตาจิตทั้งหลายคือในกามาวจรจิตวงเล็บเปิดห้าสิบสี่ดวงวงเล็บปิดมีวิรัตเจตสิกในวงเล็บสามประการ ปัญญาเจตสิกสปีติเจตสิกสและอปัมัญญาเจตสิกสในวงเล็บสองประการทําให้แปลกกันบรรดาเจตสิกสกระทำเหล่านั้นเวรารเจตสิกสทําวิบากจิตและกิริยาจิตทั้งหลายให้แปลกจากกุศลจิตทั้งหลายอปัมมัญญาเจตสิกสองประการทําวิบากจิตทั้งหลายให้แปลกจากกุศลจิตและกิริยาจิตทั้งหลาย ส่วนปัญญาเจตสิกและปีติเจตสิกทำกามาวาจรสโสพณจิตคู่ที่สองเป็นต้นให้แปลกจากกามาวาจรสโสพณจิตคู่ที่หนึ่งเป็นต้นในบรรดากุศลจิตวิปากจิตและกริยาจิตสามประเภท สงบทว่าทุติเยอสังขาริเกเชื่อมความว่าอัญญสมานาเจตสิกวงเล็บเปิด13ประการวงล็ปิดและอกุศลสาธารณะเจตสิกวงเล็บเปิด4ประการวงลิปิดรวมกับโลภะเจตสิกและมานะเจตสิกเป็นธรรมสิประการก็เหมือนกันคือย่อมถึงการรวมเข้าในโลภามูลจิตที่เป็นทิฏฐิขตวิปยุตซึ่งเป็นอสังขาริก บทว่าตติเยได้แก่ในโลภะมูลจิตที่สักรคตด้วยอุเบขาเวทนาเป็นทิฏฐิสัมปยุตซึ่งเป็นอสังขาริกบทว่าเจตุเทได้แก่ในโลภมูลจิตที่เป็นทิฏฐิวิปยุตซึ่งเป็นอสังขาริกอธิบายความว่าก็บัณฑิตพึงประกอบอิสาเจตสิกมัจฉริยะเจตสิกและกุกุจเจตสิก แต่ละประการเท่านั้นเข้าในโทสะมูลจิตที่เป็นปฏิกะสามปยุตยซึ่งเป็นอสังขาริกนี้เพราะเจตสิตกธรรมเหล่านั้นมีอารมณ์ต่างกันนั่นเองท่านพระอนุรุธทธาจารย์คำนึงถึงว่าเพราะอธิโมกเจตสิกเป็นไปโดยอาการที่ตกลงใจแน่นอน อธิโมเกเจตสิกนั้นจึงไม่เกิดมีในจิตที่สักรคตด้วยวิจิกิจฉาเจตสิกซึ่งมีสภาวะเป็นสองฝ่ายดังนี้จึงกล่าวควํ า, าว่าอธิโมขวิวรหิตาดังนี้มีวาจาประกอบความว่าในอกุศลแจิตวงหรือเปิดสิบสองดวงวงลรปิดมีเจตสิกกระทำทั้งหลายดํารงอยู่โดยเจ็ดหมวดอย่างนี้คือ ในโลภะมูลจิตที่เป็นอสังคาริกดวงที่หนึ่งและดวงที่สองมีเจตสิกธรรมดวงละสิบเก้าประการหมวดหนึ่งในโลภะมูลจิตที่เป็นอสังคาริกดวงที่สามและดวงที่สี่มีเจตสิกธรรมดวงละสิบแปดประการหมวดหนึ่ง ในโทสะมูลจิต <red> ที่เป no ็นอสังคาริกดวงที่หามีเจตสิกธรรม 20% ประการหมวดหนึ่งในโลภามูลจิตที่เป็นสังคาริกดวงที่หนึ่งและดวงที่สองมีเจตสิกธรรมดวงละ 21% ประการหมวดหนึ่งในโลภามูลจิตที่เป็นสังคาริกดวงที่สามและดวงที่สี่มีเจตสิกธรรมดวงละ20บประการหมวดหนึ่ง ในโทสามูลจิตที่เป็นสัสังขาริกดวงที่ห้ามีเจตสิกธรรมยี่สิบสองประการหมวดหนึ่งในโมหะมูลจิตสองดวงมีเจตสิกธรรมดวงละสิบห้าประการหมวดหนึ่งมีวาจาประกอบความว่าธรรมวงเล็บเปิดคือเจตสิกธรรมวงเล็บปิดสิบสี่ประการเหล่านี้คือ เจตสิกธรรมที่มีทั่วไปได้แก่ซึ่งเป็นสภาวะที่มีทั่วไปแก่อกุศสลจิตครบทุกดวง4ประการและเจตสิกธรรมที่มีเสมอกันคือมีเสมอกับธรรมอื่นเว้นฉันทาเจตสิกปีติเจตสิกและอธิโมกเจตสิกอื่นอีกสิประการบัณฑิตกล่าวว่าเป็นเจตสิกธรรมที่ประกอบกับอคุณสนละจิตได้ทุกดวง ด้วยคำว่าตฐานนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์ย่อมมุ่งเฉพาะอัญญสมานาเจตสิกธรรมชาติที่ชื่อว่ามโนธาตุเพราะอัตวิเคราะห์ว่าธาตุอันเป็นเพียงความรู้เพราะไม่ประกอบด้วยหน้าที่คือความรู้พิเศษเหมือนกับมโนวิญ ญ, ญาณธาตุบทว่าอเหตุกะปฏิสนธิยุคะเลได้แก่ในสันติรณจิตที่สรคตด้วยอุเบขาสองดวง มีวาจาประกอบความว่าในจิตตุบาทที่เป็นอเหตุกะณฑสิบแปดดวงมีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้สี่หมวดคือในหาสิตุปาทจิตในวงเล็บหนึ่งดวงมีเจตสิกธรรมสิบสองประการหมวดหนึ่งในมโนทวาราวชนะจิตในวงเล็บหนึ่งดวงและสันเตรณจิตที่สระคดด้วยโสมนัสเวทนาในวงเล็บหนึ่งดวงมีเจตสิกธรรมดวงละสิบเอ็ดประการหมวดหนึ่ง ในจิตห้าดวงคือมโนธาตุจิตสามดวงและอเหตุกะปฏิสนธิจิตสองดวงมีเจตสิกธรรมดวงละสิบประการหมดหนึ่งในปัญจวิญญาณจิตทั้งสองฝ่ายในวงเล็บสิบดวงมีเจตสิกธรรมดวงละเจ็ดประการหมดหนึ่งบาทคาถาว่าเตติงสะวิทะสังคหาความว่ามีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้สามาหมวดคือ ในโลกุตระจิตวงเล็บเปิดแปดหรือสี่สิบดวงวงหรือปิดมีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้ห้าหมวดในมหาคตาจิตวงเล็บเปิดยี่สบเจดวงวงหรือปิดก็เหมือนกันคือมีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้ห้าหมวดในกามาวจรโศผละจิตนวงเล็บยี่สิบสี่ดวงมีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้สิบสองหมวดในอกุศลจิตนวงเล็บสิบสองดวงมีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้เจ็ดหมวด ในอหิตุกจิตในวงเล็บสิบแปดดวงมีการรวบรวมเจตสิกธรรมไว้สี่หมวดบัณฑิตทราบสัมปภโยคที่ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์กล่าวไว้ด้วยอำนาจการกําหนดจิตและสังคหะที่กล่าวไว้ด้วยอำนาจแห่งการกํ า, นาหนดหมวดแห่งเจตสิกธรรม แห่งสภาวธรรมทั้งหลายที่ไม่พระรา ก, กับจิตคือแห่งเจตสิกธรรมทั้งหลายด้วยประการฉะนี้คือโดยนัยตามที่กล่าวมาแล้วพึงยกประเภทวงได้เปิดแห่งเจตสิกธรรมเหล่านั้นวงได้ปิดขึ้นแสดงให้เท่ากับจิตตามที่ประกอบได้อธิบายความว่าบัณฑิตพึงกล่าวโดยนัยว่า อันดับแรกเจตสิกธรรมเจ็ประการซึ่งมีทั่วไปกับจิตทุกดวงมีอย่างละแปดสิบเก้าประการเพราะเกิดขึ้นในจิตแปดสิบเก้าดวงบรรดาปกินนากาเจตสิกวงลด้เปิดหกประการวงลิปิดวิตกเจตสิกมีห้าสิบห้าประการเพราะเกิดขึ้นในจิตห้าสิบห้าดวงดังนี้เป็นต้น พนานาความป ร, ริเฉตที่สองในดีกาอภิธรรมมัสังคหะชื่ออภิธรรมมัวิภาวิณีจบแล้วด้วยประการชนีพนานาความป ร, ริเฉตที่สามบัดนี้ท่านพระอุรุท ธ, ธาจารย์ หวังจะแสดงการรวบรวมข้อเบตเตเลแห่งจิตและเจตสิก ต, ตามที่กล่าวแล้วโดยการจำแนกข้อเบตเะเลมีเวทนาเป็นต้นและโดยการจำแนกจิตุบาทซึ่งกลางกันโดยความต่างกันแห่งข้อเบตเตเลตมีเวทนาเป็นต้นนั้ น, น, นจึงเริ่มคำว่า สัมปยุตตายะถาโยคังดังนี้เป็นต้นมีอธิบายความว่าธรรมคือจิตและเจตสิกที่ประกอบกันตามที่ประกอบได้ย่อมมีห้าสิบสามประการโดยสภาวะคือด้วยอำนาจสภาวะของตนของตนได้แก่โดยสภาวะคือจิตแม้ทั้งแปดสิบเก้าดวง ก็มีอย่างเดียวโดยมีความรู้แจ้งอารมณ์เหมือนกันภาษาเจตสิกเกิดมีทั่วไปแก่จิตทุกดวงก็มีอย่างเดียวโดยภาวะที่ถูกต้องอารมณ์เป็นต้นบัดนี้ข้าพาเจ้าในวงเล็บพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จะแนะนำชื่อสังคหะคือการรวบรวมข้อเบตเตล็ด ที่ชื่อว่าเวทนาสังคหะเป็นต้นแห่งธรรมทั้งหลายเหล่านั้นโดยเวทนาสังคหะเหตุสังขะกิจจสังขะทวารสังคห ะ, จจคห ะ, าคหะอารมณะสังคหะและวัตถุสังคหะด้วยอำนาจจิตตุบาทเท่านั้นคือด้วยอำนาจจิตตุบาทที่ต่างกันโดยความต่างกันแห่งข้อเบตเตลมีเวทนาเป็นต้นนั้นๆเท่านั้นตามสมควร หาแนะนำคือเข้าไปแนะนำได้แก่ประมวลโดยเว้นจากกิตตุบาทนั้นในการไหนไหนไม่บทว่าตัทธะได้แก่บรรดาสังคหะหกหมวดเหล่านั้นการรวบรวมเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้น และจิตุบาทที่สระคดด้วยเวทนามีสุขเวทนาเป็นต้นนั้นด้วยอำนาจการจำแนกชื่อว่าเวทนาสังคหะเวทนาอื่นจากทุกขเวทนาและจากสุขเวทนาชื่อว่าอทุกขมสุขเวทนาด้วยอำนาจลงมาอาคมถามว่าก็เพราะพระพุทธพจน์ว่าดูกรภิกษุทั้งหลาย เวทนามีสองประการเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาดังนี้เป็นต้นเวทนามีเพียงสองประการเท่านั้นมิใช่หรือตอบว่าคำที่ท่านกล่าวแล้วนี้เป็นความจริงแต่พระพุทธพจน์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรวมอทุคมสุขเวทนาซึ่งอยู่ในฝ่ายที่ไม่มีโทษเข้าในสุขเวทนา และรวมอทุกขมสุขเวทนาซึ่งอยู่ในฝ่ายที่มีโทษเข้าในทุกขเวทนาแม้พระพุทธพจน์ใดในบางพระสูตรว่าความสเสวย อ, อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้พึงเป็นทุกข์ในที่นี้ดังนี้เป็นต้นพระพุทธพจน์นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสไว้เพราะเวทนาทั้งปวงมีสภาวะเป็นทุกข์โดยเป็นทุกข์ประจําสังขาร สมจริงดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกะอาโนนคำว่าความเสวยอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนี้พึงเป็นทุกข์ในที่นี้ดังนี้เป็นต้นเรากล่าวหมายถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารและความแปรปรวนแห่งสังขารดังนี้เพราะฉะนั้นบัณฑิตพึงเห็นว่าเวทนามีสามประการเท่านั้น เพราะเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าดูกระภิสุท้งหลายเวทนามีสามประการเหล่านี้คือสุขเวทนาทุกขเวทนาอทุคขมสุขเวทนาดังนี้เป็นต้นก็เวทนาแม้ทั้งสามประการเหล่านี้ดังพันนานามาชะนี้ในอินทริยะเทศนาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ห้าประการคือ สุขินสีทุกขินรีโสมนัสสินรียโทมนัสสินรียอุเปกขินสีเสพราะเหตุนั้นเพื่อจะแสดงการจำแนกเวทนาทั้งหลายแม้ด้วยอำนาจอินทรียธรรมนั้นในเวทนาสังะหะนี้ท่านพระอนุรุท ธ, ธาจารย์จึงกล่าวว่าสุขเวทนาทุกขเวทนาดังนี้เป็นต้นความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงจำแนก สุขเวทนาและทุกขเวทนาออกเป็นอย่างละสองประการเพราะความต่างกันแห่งความสุขทางกายความสุขทางใจและความทุกขทางกายความทุกขทางใจแล้วทรงแสดงเวทนาไว้ว่าสุขกินสีโสมนัสสินสี่ทุกขกินสีโทมนัสสินสี่ส่วนอุบเบกขาเวทนา ทรงแสดงไว้เพียงประการเดียวเท่านั้นว่าอุเปกขินสีเพราะไม่มีข่วามต่างกันเหมือนอย่างว่าสุขเวทนาย่อมทำขความอนุเคราะห์แก่ร่างกายอย่างหนึ่งและย่อมทำขความอนุเคราะห์แก่ใจอีกอย่างหนึ่งทุกขเวทนาย่อมทำขความเบียดเบียนแก่ร่างกายอย่างหนึ่งและย่อมทำขความเบียดเบียนแก่ใจอีกอย่างหนึ่งฉันใด อุเบกขาเวทนาหาธรรมฉะนั้นไม่เพราะฉะนั้นอุเบกขาเวทนานั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงไว้เพียงประการเดียวเท่านั้นเพราะเหตุนั้นพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายจึงกล่าวว่าว่าโดยประเภทแห่งอินสิยธรรมเวทนาย่อมมีห้าประการคือ สุขเวทนาทางกายหนึ่งสุขเวทนาทางใจหนึ่งทุกขเวทนาทางกายหนึ่งทุกขเวทนาทางใจหนึ่งอุเบขาเวทนามีเฉพาะทางใจอย่างเดียวหนึ่งในบรรดาเวทนาห้าประการนั้นสุขเวทนามีลักษณะเสวยโภารมที่น่าป ร, รารถนา ทุกขเวทนามีลักษณะเสวยโภทภารมที่ไม่น่าปรารถนาโสมนัสเวทนามีลักษณะเสวยอิทธารมโดยสภาวะหรือโดยปริกับโทมนาสเวทนามีลักษณะเสวยอนิถารมเหมือนอย่างนั้นคือโดยสภาวะหรือโดยปริกับอุเบคาเวทนามีลักษณะเสวยอารมณ์ที่เป็นกลาง มหาคตาจิตและโลกุตรจิตชื่อว่ามีสี่สิบสี่ดวงเพราะฌานแต่ละอย่างมีอย่างละสิบเอ็ดดวงโดยความต่างกันแห่งฌานที่เป็นโลกิยะในวงเล็บสามดวงและฌานที่เป็นโลกุตระในวงเล็บแปดดวงบทว่าเซสานิความว่าจิตทั้งหลายที่เหลือจากจิต ที่สรคตด้วยสุขเวทนาในวงเล็บหนึ่งดวงที่สรคตด้วยทุกขเวทนาในวงเล็บหนึ่งดวงที่สรคตด้วยโสมนัสเวทนาในวงเล็บหกสิบสองดวงและสรคตด้วยโทมันัสเวทนาในวงเล็บสองดวงแม้ทั้งหมดมีห้าสิบห้าดวงคือจิตที่เหลือจากฝ่ายอกุศลจิตหกดวงจิตที่เหลือจากฝ่ายอะเหตุกจิตสิบสี่ดวง จิตที่เหลือจากกามาวจรโสมนจิตสิบสองดวงจิตที่เกิดในปัญจมชฌานยี่สิบสามดวงการรวบรวมเหตุธรรมมีโลภะเหตุเป็นต้นด้วยอำนาจแห่งการจำแนกและด้วยอำนาจแห่งธรรมที่ประกอบด้วยเหตุธรรมมีโลภะเหตุเป็นต้นนั้นเป็นอาธิชื่อว่าเหตุสังหะ เชื่อมความว่าชื่อว่าเหตุธรรมมีหกประการก็ความเป็นเหตุคือความที่เหตุธรรมวงเล็บเปิดหกประการวงเล็บปิดเหล่านั้นเป็นมูลรากกล่าวคือความธรรมสัมปยุตตธรรม ท, ทั้งหลายให้สําเร็จความดํารงมั่นด้วยดีความจริงธรรมทั้งหลายได้เหตุเป็นปัจจัยแล้วย่อมเป็นสภาวะที่มั่นคง เปรียบเสมือนต้นไม้ทั้งหลายที่มีรากงอกงามแล้วย่อมมั่นคงฉะนั้นหาเป็นเหมือนธรรมที่ไม่มีเหตุเช่นกับสารายบนพื้นน้ำไม่ก็เพราะอธิบายความดังกล่าวมาอย่างนี้เหตุทำหกประการเหล่านี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเรียกว่าเป็นมูลรากเพราะเป็นเช่นกับมูลรากดังนี้ ส่วนท่านอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่าความทรทำทั้งหลายมีกุศลธรรมเป็นต้นให้สําเร็จเป็นกุศลธรรมเป็นต้นชื่อว่าความเป็นเหตุเมื่อเป็นเช่นนั้นบัณฑิตพึงต้องค้นหาเหตุอื่นที่ทําตัวของเหตุทั้งหลายให้สําเร็จเป็นกุศลธรรมเป็นต้น ถ้าความที่เหตุธรรมเหล่านั้นเป็นกุศลธรรมเป็นต้นเนื่องด้วยสัมปยุตตเหตุธรรมที่เหลือไซแม้เมื่อเป็นเช่นนั้นความที่เหตุธรรมสัมปยุตด้วยโมหะมูลจิตเป็นอกุศลธรรมก็จะไม่พึงเนื่องกันถ้าเหตุธรรมนั้น พึงเป็นกุศลธรรมได้ตามสภาวะไซเมื่อเป็นเช่นนั้นแม้เหตุธรรมที่เหลือทั้งหลายก็พึงเป็นอกุศลธรรมเป็นต้นได้ตามสภาวะเพราะเหตุนั้นแม้สัมปยุตธรรมทั้งหลายเป็นกุศลธรรมเป็นต้นได้เหมือนอย่างเหตุธรรมทั้งหลายเหล่านั้นนั้นก็จะไม่พึงเนื่องด้วยเหตุธรรมก็ถ้า สัมปยุต ธ, ธรรมทั้งหลายเป็นกุศลธรรมเป็นต้นเนื่องด้วยเหตุธรรมไซในการนั้นอเหตุกาจิตแะวงเล็บสิแปดดวงทั้งหลายก็จะไม่พึงเป็นอัพยกฤะเพราะเหตุนั้นพอทีอย่าบีบคันกันมากนะักอันหนึง่งความที่กุศลธรรมและอกุศลธรรมทั้งหลายเป็นกุศลธรรมเป็นต้นเนื่องด้วยโยนิโสมนัิการและอยโยนิโสมนัิการ สมจริงดังพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลทำไว้ในใจโดยอุบายอันแยบคายกุศละธรรมทั้งหลายที่ยังไม่เกิดย่อมเกิดขึ้นและกุศลแะธรรมทั้งหลายที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเจริญยิ่งขึ้นดังนี้เป็นต้นบัณฑิตพึงเห็นความหมายว่าก็ความที่อพยกตธรรมทั้งหลายเป็นอพยกฤตร เนื่องด้วยสันดานที่ปราศจากอนุสัยกิเลสวงและเปิดคือสันดานของพระขีนาศบวงลิปิดเนื่องโดยกรรมและเนื่องด้วยสภาวะที่หาวิบากไม่ได้ดังนี้บัดนี้ท่านพระอนุรุธทธาาจารย์ หวังจะแสดงความต่างกันโดยชาติแห่งเหตุทั้งหลายจึงกล่าวคําว่าโลโพโทโสจะดังนี้เป็นต้นการรูปรวมกิจทั้งหลายมีปฏิสนธิกิจเป็นต้นด้วยอํานาจแห่งการจําแนกและซึ่งจิตทั้งหลายซึ่งมีกิจนั้นด้วยอํานาจการกําหนดชื่อว่ากิจจสังคหะการสืบต่อแห่งพบจะพบชื่อว่าปฏิสนธิกิจ ความเป็นองค์ของภพโดยความเป็นเหตุเป็นไปแม่ขาสายชื่อว่าพหวังขกิจบัณฑิตพึงประกอบอาวชากิจเป็นต้นตามสมควรโดยทำนองแห่งเนื้อความแห่งคาตามที่กล่าวแล้วในหนหลังความเป็นไปของจิต ด, ดุดแล่นไปในอารมณ์มากครั้งหรือครั้งเดียวด้วยอำนาจอย่างจิตนั้นๆให้สาเร็จได้ชื่อว่าเจ้าว่านากิจ การทำอารมณ์ที่ชวนากิดนั้นรับมาแล้วให้เป็นอารมณ์ชื่อว่าตถาลำพนาิดการเคลื่อนจากพบที่บังเกิดแล้วชื่อว่าจุติกิจก็กิจเหล่านี้ย่อมปรากฏด้วยอำนาจแห่งฐานเพราะเหตุนั้นบัดนี้เพื่อจะแสดงฐานนั้นโดยประเภทท่านพระอนุรุตธาจารย์จึงกล่าวคำว่าปฏิสันทิดังนี้เป็นต้น ในคําว่าปฏิสันธิเป็นต้นนั้นพึงทราบวินิจฉัยดังต่อไปนี้ฐานแห่งปฏิสันธิชื่อว่าปฏิสันธิฐานชื่อว่าฐานที่พ้นจากปฏิสนธิฐานไม่มีก็จริงถึงอย่างนั้นเพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นพึงเห็นความหมายว่า แม้เมื่อมีความเข้าใจไม่ต่างกันก็มีการกาหนดความต่างกันไว้ดุดในประโยคเป็นต้นว่าร่างของลูกหินเล็กๆแม้ในฐานที่เหลือก็มีนัยยะอย่างนี้ฐานแห่งวิญญาณห้ามีทัาสนะเป็นต้นชื่อว่าปัญจวิญญาณฐานด้วยอาทิศจึงมีการรวบรวมฐานทั้งหลายมีสัมปติชนฐานเป็นต้น ในฐานสินั้นฐานระหว่างจุติกิจกับพวังคกิจชื่อว่าปฏิสันทีฐานฐานระหว่างปฏิสนทิกิจกับอาวัชนกิจหนึ่งระหว่างโชวนกิจกับอาวัชนกิจหนึ่งระหว่างกรทาลัมพนกิจกับอาวัชนกิจหนึ่งระหว่างโวธาพนากิจกับอาวัชนกิจหนึ่งบางคราวระหว่างชวนกิจกับจุติกิจหนึ่งระหว่างกทาลัมพนกิจกับจุติกิจหนึ่ง ชื่อว่าผวังคฐานฐานระหว่างผวังขกิจกับปัญจวิญญาณกิจหนึ่งระหว่างผวังขกิจกับชวนากิจหนึ่งชื่อว่าอาวัชนาฐานฐานระหว่างปัญจทวาราวัชนากิจกับสัมปติชนะกิจชื่อว่าปัญจวิญญาณฐานฐานระหว่างปัญจวิญญาณกิจกับสันติรณกิจชื่อว่าสัมปติชนะฐาน ฐานระหว่างสัมปติชนะกิจกับโวอดถภนะกิจชื่อว่าสันตีรณฐานฐานระหว่างสันติรณกิจกับชวนกิจหนึ่งระหว่างสันตีรณกิจกับภวังคกิจหนึ่งชื่อว่าโวอดถภนะฐาน ฐานระหว่างโวตพปนกิจกับตาาลัมนกิจหนึ่งระหว่างโวตพปนกิจกับพวังคกิจหนึ่งระหว่างโวตพปนกิจกับจุติกิจหนึ่งระหว่างมโนทวาราวัชนกิจกับตัธาลัมนกิจหนึ่งระหว่างมโนทวาราวัชนกิจกับพวังคกิจหนึ่งและระหว่างมโนทวาราวัชนกิจกับจุติกิจหนึ่งชื่อว่าชวะนฐาน ฐานระหว่างชวนกิจกับพวังคกิจหนึ่งระหว่างชาวนกิจกับจุติกิจหนึ่งชื่อว่าตทาลำพนธฐานฐานระหว่างชวนกิจกับปฏิสนธิกิจระหว่างตทาลำพนธกิจกับปฏิสนธิกิจหรือระหว่างพวังคกิจกับปฏิสนธิกิจชื่อว่าจุติฐานอธิบายความว่าสันติรณกิจที่สรคตด้วยอุเบขาสองดวงชื่อว่าปฏิสนธิกิจพวังคกิจและจุติกิจ เพราะสันติรณกิจที่สหรฆตด้วยโสมนัสไม่มีสภาวะเป็นไปด้วยอำนาจปฏิสนธิก็เพราะอธิบายความดังว่ามานี้ในวิพังแห่งบทว่าอุเบขาสาคตะซึ่งมาแล้วอย่างนี้ว่าธรรมที่สหรฆตด้วยอุเบขาอาศัยธรรมที่สหรคตด้วยอุเบขาเกิดขึ้น ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยดังนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยกปฏิจนายขึ้นไว้ในคำพีประธานด้วยอำนาจประวัติการและปฏิสนธิการอย่างนี้ว่าขันสามอาศัยขันหนึ่งสระโคตด้วยอุเบกขาเป็นอเหตุุกะขันหนึ่งอาศัยขันสามละขันสองอาศัยขันสองละ ขันสามอาศัยขันหนึ่งอันสระโคตด้วยอุเบขาในขณะปฏิสนธิอันเป็นอาเหตุกุกะและขันสองดังนี้สุนในวิพังแห่งบทว่าปีติสหาคาตาและสุขสหาคาตะส่งยกปฏิจนายขึ้นด้วยอำนาจประวัติการเท่านั้นว่าขันสามอาศัยขันหนึ่งอันสระโคดด้วยปีติเป็นอาเหตุกุกะและขันสอง ละขันสามอาศัยขันหนึ่งอันสอระโกด้วยโสมนัสเป็นอเหตุุกะขันสองละดังนี้